ธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่13โดยหลวงพ่อยินทวายสันตุสโกโวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11เมษายน2554มีชื่อเรื่องว่าจ้างลูกไปวัดวันนี้เป็นวันที่11อ เมษายนพุทธศักราช2554อีกวันสองวันข้างหน้าเป็นวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ไทยในหลักของพระพุทธศาสนาเราไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน นี่แหล ะ, ละคือหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเรานะอย่าไงไรก็ตามเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่าไปหนักใจโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ในเมื่อเราหน้าที่ึ้นมาเมื่อถึงหน้าที่แล้วเอาพอแบกก็แบกหามไปพอจบแ ล, ล้วก็ รู้จักหลบรู้จักกลีกรู้จักปลีกตัวหากมุมสงบอย่าไปแบกทั้งวีทั้งวันอย่าไปติดในการคุกทีอย่าไปสนใจในความคลุกทีในหมู่ในคณะจนเกินไปให้พยายามหลบรู้จักหลบรู้จักกลีกปลีกตัวหาหมุมสงบหาภาวนานี่แหละว่าวผู้ใด รู้จักวิธีการหลบเปลีกผู้นั้นจะมีถึงจะอยู่ในที่คุกคลีวุ่นวายสับสนวุ่นวายก็ยังรู้จักเอาตัวตัวรอดได้แต่เรามาพิจารณาดูในพระในครั้งพุทธกาลเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นหมื่นๆท่านจะอยู่ด้วยกันอย่างไรในสถานที่ของท่านก็ไม่ใช่ว่าจะ กว้างขวางที่พวกเราไปดูแต่ละวัดที่อินเดียท่านอยู่อย่างไรถ้าจะว่าไปแต่ยิ่งคับแคบกว่าเราแต่ท่านเข้าสมาธิท่านเข้าใจของท่านท่านไม่ยุ่งเห ง, งบวุ่นวายต่างองค์ก็ต่างอยู่ในมุมสงบของใครของเรามันก็สงบได้แต่ถ้าว่าถึงจะอยู่ไกลขนาดไหนทั้งก็เถอะเดินไปพูดไปคุยกัน พูคุยกันทั้งวีดทั้งวันเรื่องสัพเพเหระอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้อยู่ในความสงบแต่ทีแรกก็บว่าทําท่าต้องการความสงบพอสงบไปสงบปากกับว่าเวีนอะว่าเ ว, อ, ว, าเวอ้างว้างเงียบเหงาแล้วชอบไปหาเรื่องออกไปข้างนอกส่งไปข้างนอกไปคุยเนฮะ มันอย่างนั้นนะกิเลสเพราะนั้นพวกเราให้รู้นะต้นตอของกิเลสมันเป็นยังไงให้พวกเรารู้ว่ากิเลสมันชอบไปอย่างนั้นนะเพราะนั้นเราจะพยายามดักมันยังไงให้อยู่ในความสงบบังคับให้มันอยู่ในความสง บ, บดูซิมันจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบางคนก็แก้ลำคาญพอเข้าไปแล้วกันนัะ่กะกอกแกกเดินนั่นเดินนี้จับนั่นหยิบนี้ เอาหนังสือมาดูมาอ่านจากนั้นก่อนนะทำกกกกิกิกเพื่อแก้ลาขาดยิ่งแก้อะไรก็ยิ่งลาคาญจะดูสิว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะไม่ทําอย่างนั้นเราจะพยายามดูใจของตนเองนั่งสมาธิดูใจเดินโยกลมดูใจบังคับทำอยู่กับสมาธิอยู่ตลอดเป็นอย่างไร อันนี้พวกเราได้คิดหรือหรือไม่ทางว่าเราปล่อยตามอารมณ์ของตนเอง่มันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่มีที่สิ้นสุดตามเท่าไรก็ยิ่งเลาะแหลบไปเรื่อยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะเข้ามาคราวนี้เข้ามาปรประพฤติปฏิบัติธรรมมาตั้งใจภาวนามารักษาศีลมารักษาศีลมาภาวนา แล้วก็มาปฏิบัติสมาธิปัญญาปัญญาวิปัสสนาขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเดองทางโลกเราก็เรียนรู้โลกวัฏสงสารก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเขามาวันนี้พวกคณะสัายาติโจ เขาก็ทำได้เพียงเพียงเท่านั้นกนาวา ด, ดีในระดับหนึ่งดีกว่าผู้ที่ไม่สนใจใชเชลยพอเข้ามาแล้วคเอา้าเราพยายามแนะนำธรรมะรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้เขาได้ฟังได้ศึกษาถ้าผู้มีอุปนิสัยเขาก็คงจะจับประเด็นได้แล้วเขาก็จะนำไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเขาแต่ถ้าว่าผู้ใดไม่มีอุปนิสัย ได้มาขนาดนี้ฟังแล้วก็ฟังไม่เข้าใจฟังแล้วก็ผ่านไปไม่ซึมซับเข้าสู่จิตใจอา้าวครั้งต่อไปถ้าครั้งต่อไปบางทีได้มีเรื่องกระเทือนใจบางเรื่องบางอย่างจิตใจเมื่อจะเด็กหวนกลับมาสมัยเมื่อครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นอย่างไรบางคนก่อนอย่างนั้นก็มี แต่บางคนก็ไปเลยไม่ลำเลึกถึงเชลเลยถึงจะมีทุกข์ยังไงก็ไม่ได้สนอย่างนั้นมันก็มีอัน น, นั้นบางคนท่านยังเปรียบเทียบกับคู่คนดอกบัวสามเหล่าสีเหล่าอย่างที่ว่านจะให้เสมอกันเป็นไปไม่ได้เพราะความแนวความคิดมันแปลกแตกต่างกันมันบ่งบอกถึงสติถึงปัญญาถึงบา ร, รมีของแต่ละท่านแต่ละคน จะให้เสมอกันเป็นไปไม่ได้แต่ขนาดเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกโยมอุรรมปถัมภะถาพระพุทธทเจ้าแต่ยังจิตใจก็ยังไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันมันน่าคิดเหมือนกันนะพ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่เลี้ยงได้แต่ร่างกายส่วนจิตใจมันเลี้ยงไม่ได้ จะแนะนําสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนะลูกนะมีจริยธรรมมีจริยธรรมที่ดีนะลูกนะโดยมากผู้ไม่มีอุปนิสัยเก่าแก่จริงๆมันจะไม่ยอมฟังเอแต่ว่าจะปล่อยปล่านละเลยทีเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องใช้กุสโลบายลหลายๆอย่างที่จะแนะนําสั่งสอนให้เขาให้ขาเป็นคนดีอย่างในครั้งพุทธกาล ลูกชายของท่านอนาถาบินิกาเศรษฐีอันนี้อนาถาบินิกาธิกาเศรษฐีเนี่ก็เป็นพุทธอุปถาพระพุทธเจ้านางวิสาขานี่คือเป็นอุออปถาฝ่ายผู้หญิงอุปถาพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ดูแลเรื่องนามปานะเรื่องอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างพระมาทางไกลพระจะเดินพระจะเดินทางไกล ต้องไปฉันในโรงทานของนางวิสาขานางวิสาขาเลี้ยงพระเทรวันเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันมากแน่นไปหมดแต่ละวันอนาณาถาเมติกาเศรษฐีก็เช่นเดียวกันที่ชื่อวัดป่าเชตะวันมหาวิหารในแถบนี้อาณาถาเมติกาเนี่เป็นผู้ซื้อสร้างถวายพระพุทธทเจ้าวัดป่าเชตะวันที่พระพุทธเจ้าจํำพรรษา ม, มากที่สุดใน ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์จำมรรษามากกว่าทุกวัดมากกว่าทุกแห่งนี่แหละอันนี้ก็คือแต่นี้ลูกชายของอนาถาบิกาเศรษฐีเนี่ยก็มีหลายคนแต่คนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มอายุกับกำลังคึกขนองสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดปี แต่พ่อพาไปวัดพาเลี้ยงพระทําบุญทาทานหันหลังให้ตลอดไม่ได้สนใจพ่อนี่ไม่รู้จะทำยังไงให้เข า, าหมดความคิดความอ่านเลยกับลูกชายคนนี้มันไม่ไปตามพ่อต้องการไอ้พ่อก็นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆมาบ้านเป็นร้อยเป็ดพันแต่ละวันเด็กค น, นเฉยไม่ได้สนใจ มีแต่เที่ยวมีแต่เล่นสนุกสนานเผอเผอินยังเบื่ออีกต่างหากอนณาธามันดีกวเศรษฐีเอถ้าเราจะปล่อยไปมันก็ไปตกนรกหมกไหมเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิเราก็นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตระกูลของเราก็ทั้งตระกูลเราจะปล่อยให้ลูกของเราไปในทางชั่วชา้าเสียหายตกนรกหมกไหมอย่างนี้มันสมควรหรือมันไม่สมควรนะเราจะแก้ไขเราจะทํำยังไงนะ อนาถามบติกเศรษฐีท่านกห็หาวิธีที่จะสอนแนะนำลูกของท่าน เ, าเลี้ยงร่างกายก็เลี้ยงได้แต่ว่าจะแนะนำสั่งสอนทางด้านจิตใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิไม่รู้จะสอนอยังไงเพราะมันไม่เอามันไม่ยอมฟังอตอนนี้อนาถามบติกเศรษฐีก็เอาเงินเท่านั้นเพราะมันมันชอบเด็กกาลัง ชอบเที่ยวชอบเล่นใช่ไหมชอบเงินอนณาธาบรดีก็เอาเงินจ้างลูกๆไปให้ไปรักษาศีล น, นะไป ท, ทุกวันก็ได้ถ้าวันไหนไปพ่อจะให้วันละห้าร้อยบาทห้าร้อยกะหาปณะนะสมัยนะั้นก็รางวันคนมันก็น้อยไม่มากว่าเงินห้าร้อยไม่ใช่ธรรมดาหรอกห้าร้อยกะหาปณะนะ เขาก็ขับพ่อพอรับได้แล้วทีนนี้ก็พอไปถึงวัดก็ไปนอนไปถึงวัดป่าเชตตะวันไปหาที่ก็นนอนนอนได้ครบวันแล้วก็กลับมากะเมาขอเงินพ่อแต่เช้าเลยพ่อพ่อผมกลับมาแล้วนะขอเงินพ่อก็ต้องเตรียมให้วันไหนก็เอาพ่อพ่อครับเงินครับเอาเอาให้ ตอนี้ก็ถามว่าลูกเวลาไปนอนที่วัดน่ะไปรักษาศีลไปนอนที่วัดน่ะไปทํำยังไงครับผมไปถึงแล้วผมก็หาที่พักพอนอนน่ะอยู่ที่วัดก็ไม่ได้ทําอะไรพอให้รักษาศีลก็รักษาศีลไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ขโมยทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ทานอาหารอีกต่างหากถือศีลอุโบสถพอได้เวลาผมก็กลับออกมาเด็ดละครับ อืมเอาบัดนี้เอาใหม่นะลูกนะให้ไปฟังทมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเนะี้ยกางคืนเน่เวลาท่านเทศนากลางคืนตอนหัวคำ่ำท่านเทศนิ ม, มนเทศพระสงฆ์นะ่ะแต่ไม่ต้องไปนอนนะที่นี่นะให้ไปนั่งฟังถ้าจำคําของพระพุทธเจ้าได้คํหนึ่งจำได้คาหนึ่งมาบอกให้พ่อฟัง อธิบายให้พ่อฟังว่าเออพระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้อคือเนี้ยพ่อจะให้พันกระหาปณ ะ, ะอีกเท่าตัวเออเจ้าชายหนุ่มไ อ, อ้ภาษาเด็กเพียงคําเดียวใช่ไหมข้าไปฟังก็ได้เป็นรายไปได้อีกพันไอ้อีกห้าร้อยเป็นพันกหาปณ ะ, ะเอาที่ไหนทีนี้ชายหนุ่มคนนั้นก็ลูกอนาถาเมติกาเศรษฐีกับไปท่านั่งฟัง่บะบ้า เข้าไปเลพระพุทธองคเทศอบรมพระสงฆ์ศรัทธาญาติโยมภิกษุณีพุทธบริษัทสี่นั่งเพียบแต่ชายหนุ่มคนนี้ก็ไปนั่งอยู่แอบอยู่ทางด้านหลังก็พยายามนั่งจดจาพระพุทธองค์เทศเรื่องศีลสมาธิปัญญาพิจารณาจนถึงหลุดพ้น ไอ้ชายหนุ่มคนนี้ก็พยายามนั่งฟังเพื่อจะได้จําเอาบาดพระคาถาหนึ่งว่ากันพอนั่งฟังเสร็จแล้วเออจำได้ละบาดพอกลับไปเอาละนั่งนานลกลับจำได้ละกลับไปพอกลับไปเมันลืมซักเี้พอลืมเสร็จแล้วไม่ได้กลับมานั่งฟังอีกเพื่อให้เข้าใจฟังฟังฟังฟังเข้าใจ พอเข้าใจแล้วจำได้แล้วบาทกลับไปกลับไปไปลื้มไปเองทำไมจึงลืมเพราะพระพุทธเจ้าบันดาลให้ลืมพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์นะทีนี้นะคือเห็นชายหนุ่มคนนี้เข้ามาในพยานเขามีเขาจะได้สําเร็จพระโสดาบันอยู่แต่กิเลสภายในใจของเขาปิดบังแต่ต้องใช้อิทธิฤทธิ์ให้เขาเข้าใจในธรรม แต่เนี้เขาก็กลับไปไ ป, ประลืมอีกบรรดาให้ลืมกลับมาฟังเองตั้งใจฟังทนีให้มันเข้าใจพอตั้งใจฟังเท่านั้นแหละเท่านี่พระพุทธองค์ก็เรียงลำดับให้ฟังเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาจะตลอดถึงวิมุตตหลุดพน้นเขาก็ฟังฟังฟังฟั ง, ฟงติดตามเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเขาได้สาเร็จพระโสดาบัน ในคืนนั้นพอได้สำเร็จพระโสดาบันที่นี้ก็โอ้เราเนี่ยถ้าหาว่าไม่ได้พ่อที่ดีนะเราจะตกไปที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเราจะไปนรกหลุมไหนอีกก็ไม่รู้โอ้เราทาไมแต่ลาบอันประเสริฐถึงขนาดนี้ได้ฟังทาคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อก็เป็นพูดแสนจะเมตตาใจดีทั้งที่ท่านจะดุดาว่ากาว ท่านก็ยังว่าจ้างให้เราเข้ามาหาศีลหาธรรมอีกพ่อของเราโอ้มีเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งพ่อของเราเนี่ยและเลิกถึงบุญคุณของพ่อแลยกัเนเลยและเลิกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้ตัวเองได้จนได้สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดารันจากนั้นก็พอสววางขึ้นมา ทั้งที่จะเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนะรีบกลับมามาขอเงินพ่อแบบมือขอเงินพ่อพ่อพ่อ พ, อพอ่ขอเงินพ่อก็ต้องเอาถุงให้เลยแต่มาคราวนี้รับบาตของพระพุทธเจ้าเดินตามหลังมาได้เลยขึ้นมาบ้านอนาณาธามิตรกาเสฐีเดินตามหลังพร้อมหลังพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เดินตามหลังพระองค์มาที่บ้าน พอมาที่บ้านเสร็จแล้วผจัดการจัดแจงเรื่องที่พักพาอาศัยเรื่องน้ําเรื่องถ่าไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมีพอมาถึงนะกัแบมบเงินแบมบมือขอเงินนะกัหายเงีบ็บแต่วันนั้นพอกลับมาแล้วจัดแจงที่พักน้ําอาศนะอะไรจัดพ่อบอกว่าลูกๆเอานะักเงินอยู่ที่นั่นนะใหม่ให ม, ม่พอพอใหม่ๆ ยังยังพ่อแต่ยังไม่เอาพอยังยังไอ้ผัวที่สุดผู้พ่อเนี่ยก็เป็นห่วงเอ๊ะทำไมลูกของเราเนี่ยน้อยอกน้อยใจยอย่างไรเนาะวันนี้ทําไมถึงไม่เอาเงินไอ้ผู้พ่อคิดหนักเลยทําไมตะก่อนมันมันไม่เหมือนเนี่ยแต่วันนี้ทําไมมันเป็นอย่างนั้นก็อพออีกเตือนอีกอลูกเตรียมไว้แล้วนะพ่อพ่อเตรียมไว้แล้นะลูกนะเงินนะ แค่นี้อยู่ในนั้นในถุงนั้นนะ่ะไปเอาเลยนะพันกรหาปณะนะไม่ละครับพ่อจนถึงครั้งที่สามพระพุทธองค์ก็บอกว่าอนาาันดาเปรติเกษฐีลูกของท่านเนี่ยได้เป็นได้อริยทรัพย์แล้วเขาไม่สนใจเรื่องทรัพย์ภายนอกแล้วเขาได้อริยทรัพย์คือพระโสดาบันแล้วเป็นทรัพย์อันประเสริฐเพราะนั้นเขาจึงไม่สนใจ ทรัพย์ที่ท่านเตรียมไว้ให้บัดนี้เขาได้อริยะทรัพย์แล้วเป็นทรัพย์มันเสรฐเขาจะไม่มาเวียนไายตายเกิดยาวนานละเขาจะต้องเข้าสู่มรรคสู่ผลแลเะเพราะนั้นท่าน อ, อย่าไปให้อย่าไปหนักใจเกี่ยวกับเขาอีกแล้วนะอาณาถาเป็นทีกะเศษธีสาธุสาธุสาธุนะเนี่ยแหละอยากจะให้ลูกได้ดี ท่านคิดถึงขนาดนั้นละ่ะไม่มีใครเลยอยากจะให้ลูกตัวเองกิบหายวายปวงอยากจะให้ลูกตัวเองเป็นคนดีทั้งนั้นท่านคณะเป็นลูกคณะมหาเศรษฐีท่านก็บอกว่ามไม่เอาพอพอไม่อายอีกต่างหากว่างั้ น, นคือละอายตนที่ตัวเองทามาแต่ข้านก่อนพอมาถึงแล้วก็ยังไม่ได้เท่าไหร่แบมือของเงินจากพ่อ พอนึกย้อนหลังโอ้โหพ่อเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งที่ว่าจ้างให้เราเป็นรักษาศีลในวัดจากนั้นจ้างว่าเราให้เราไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพ่อเนี่ฉลาดจริงๆให้เราไปฟังเทศเพื่อเป็นแนวความคิดเพื่อจะหามรคหาผลเข้าสู่ตัวเองฮะนี่แหละขนาดมรคผลนิพพานมีอยู่ในหัวใจของ ชายหนุ่มคนนั้นอยู่กิเลสราคะโทสะโมหะมืดบอดทางด้านจิตใจมันยังถลําไปทางอื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิไปได้นี่แหละอันนี้ก็คือกิเลสนะดูเล่มันน่ากลัวจริงๆนะถ้าไปไม่ถูกที่ถูกทาง เ, เสียหายถ้าเสียหายขึ้นมาละใครเป็นคนรับตัวเองนะเป็นคนรับทุกข์เป็นอนันตการ ไม่ลู้กี่พบกี่ชาติเยยังดีเกิดมาพบเปรบพบบัณฑิตนักปราชญ์ได้พบพ่อที่เป็นธรรมแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าดนเทศนาว่าการให้ฟังก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลนี่แหละอันนี้แปลว่าเป็นผู้โชคดีปฏิรูประเทสวาโซจะเกิดในประเทศอันสมควรปุเพจกตะปุญญาตา คงได้ทำได้ทาคุณงามความดีไว้ในปางก่อนอัตตสมาปนิธิให้ตั้งตนไว้ชอบอัตตะสมาปนิธิเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนิยาณิกตธรรมเรานำธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์ มาพิจารณาไตร่ตองเหตุและผลจะเป็นเรื่องทานก็ดีจะเป็นเรื่องศีลก็ดีจะเป็นเรื่องสมาธิก็ดี เ, เ, รดเรื่องมรรคเรื่องผลพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคําที่ท่านตรัสเอาไว้ล้วนแล้วจะเป็นเหตุเป็นผลในในนั้นเสร็จในเมื่อเราเห็นว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลถูกต้องแล้วเราก็ตั้งอัตตาสมาปานิธิ คือตั้งตนไว้ชอบประกอบคุณงามความดีเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนปฏิบัติตนเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีนี่แหละอันนี้ก็คือแปลว่าผู้ไม่เสียทเที่ยวเสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์บำเพ็ญทานศีลภาวนาหาทางพ้นทุกข์แต่บางคนเกิดมาแล้วก็เละเทะเ ไม่ได้สนใจอะไรมีตะเกียราคะโทสะโมหะอยากอยากจะทาไปตามอำเภอใจอยากอยากอยากอยูใ่ใจิตในใจผลในสุดก็เลยไปตามความอยากนั้นความอยากนั้นไม่ใช่ทางสูงเป็นทางต่ำเป็นทางหายนะเป็นทางอากุศลพอไปตามความอยากเท่านั้นแหละมันก็ตกต่ำไปเรื่อยเรื่อยรื่อยชาตินี้ก็ตกต่ำ พอออกจากภพนี้ชาตินี้ไปก็ยิ่งตกต่ําไปเรื่อยๆกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้จะมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกไม่ใช่ของง่ายเพระนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเกิดมาพบในชาตินี้พบพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเป็นผู้โชคดีอย่างมากๆนะหลวงพ่อเห็นไหมตัวอย่างอย่างหลวงพอ่อหลวงพ่อภูมิใจอย่างมากคิดขึ้นมาเมื่อไรหลวงพ่อภูมิใจ เเองเกิดมาในชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นก็นได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นห่วงทางโลกไหมไม่ภาคภูมิใจอย่างมากอีกต่างหากเราไม่ได้เสียดายเพราะทางโลกของเขาเขามีอะไรมีครอบมีครัวมีเงินคํามีเงินคําทรัพย์สมบัติมียศถาบรรดาศักดิ์ผลที่สุดก็ต้องแบมือด้วยกัน เอาอะไรไปได้เอาอะไรไปด้วยเอาอะไรไปด้วยได้ไม่ได้สักอย่างทิ้งทั้งหมดเพราะนั้นเราจะไปสอบแสวงหาให้ทุกรรทำใหมทําไมเราจะไม่สอบแสวงหาธรรทอไม่แสวงหาธรรมเข้าสู่จิตใจเอาแสวงหาธทำไม่ตายหรือหลงพอ่อตายตายเหมือนกันแต่ตายกับตายทางโลกกับตายทางธรรมมันต่างกันนะตายทางโลกคล้ายๆมันรู้เท่ารู้ทันรู้สิ่งต่างๆไม่เกิดเพิ่ม ไม่สะทกไม่สะทานไม่หวัน่นไม่ไหวแต่ว่าตายแบบที่ว่าไม่ได้ไม่มีธรรมอยู่ในใจเอมันเกลื่อนเกลสนะถึงความตายจะเข้ามาถึงแล้วนะเออมันเป็นทุกข์เราร้อนทางด้านจิตใจเพราะหาหลักยิดไม่ได้มันทุกข์มากๆเลยเพราะอะไเพราะใจของเราไม่มีหลัก เ, เพราะนั้นพวกเราเราได้มาพบมาเจอพระธรรมคำสอนแล้วให้ตั้งอกตั้งใจ การภาวนาทำยังไงหลวงพ่อก็ได้บอกให้นั่งขัดสมาธิอย่างพระประธานขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก่อนที่จะนั่งสมาธิพนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนไหวครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงเอามือลงแล้วแผ่เมตตาซะก่อน คำว่าแผ่เมตตาเนี่ยใช้อาหารสุขิตโตโฮมินิตุโขโมิอเวโรโหมิโรสเพสัตา ส, าสดาหวนตุมันยาวเกินไปในขณะที่เราจะนั่งภาวนาะเราใช้คำบริกรรมในใจคำว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกาธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ อย่างที่ข้าพเจ้าปฏิาณถนาด้วยเทินอันนี้คือภาษาใจ น, นี่คือแผ่เมตตาจากนั้นก็เอามือลงพะพอมือลงแล้วกันนั้นบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทย่าส่งจิตออกไปข้างนอกอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงใจปัจจุบันนั่นแหละสติสัมปชัญญะให้มีสติสัม ป, ช, ญญมมปชัญญะในปัจจุบันนั่นแหละ มีคุณค่าอย่างยิ่งแต่เมื่อเราบริกรรมอยู่กับใจในปัจจุบันบางคนที่เราเริ่มใหม่มันก็ทธรรมดามันก็ ด, ดุจพุทธดุจปัจจัยไปเลยแต่ถึงยังไงเรามีความพยายามมีความตั้งใจมั่นอยู่อีกสักวันหนึ่งครั้งหน่ะอย่างน้อยเราก็เห็นว่าเออใจของเราเรานั่งใจของเราออกกว่าสแสดงว่ารู้จักข้าใจออกก็จะแสดงว่ามีมันมีสติอยู่ในในระดับหนึ่งแล้ว ถ้าว่าแต่ก่อนเราไม่เคยคิดจะเลยมันออกอยังไงมันเข้าอย่างนีเราไม่ได้สนใจแสดงว่าเราไม่ได้สนใจเราไม่มีสติแต่บัดนี้เรารู้แล้วว่ามันออกมันออกบ่อยมันออกอยังไงนี่ยเราก็เห็นมันจิตของเราปุ่งฟุงออกไปข้างนอกโอ้มันปุ่งฟุ้งขนาดดีแล้วใจนี่แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นแต่บัดนี้เรามากําหนดแล้วเรารู้เลยแล้วสมาธิของเราเรือว่าย จิตของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันออกไปขนาดนี้หรอเนี่ยนี่แหละมันจะเริ่มเห็นแล้วไงจากนั้นก็เริ่มเห็นก็พยายามให้มันอยู่ใกล้ขึ้นไปเรื our unity, our äche, so ่อยๆบริกรรมพุทโธพุทโธเถิดไม่ให no ้สำทับไม่ให้มันออกอตะกอนพุทโธลมหายใจเข้าพุทโธลมหายใจออกมันยังห่างอยู่บริกรรมพุทโธเถิแต่อย่าไปเกรงอย่าไปกลึงนะให้มันเป็นธรรมชาติเพียงว่าตั้งสติให้เข้มแข็งนั่นเองพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ ให้ามาอยู่กับพุทธโธนะเป็นยังไงนี่แหละมีวิธีการหลายวิธีที่พวกเราจะทําจิตใจให้สงบตัว อ, อย่างหนึ่งก็อีกที่หลวงพ่อเคยพูดแนะนําก็คือกําหนดลมหายใจเข้านับหนึ่งเวลาหายใจออกนับสองนับถึงร้อยถ้าถ้ามันจะห ล, ลุดออกไปมันจะเบอเบอ ร, บอร์ใช่ไหมหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขคี่มันผิดแต่ผิดจังหวะ่ะ ถาไม่จริงหายใจเข้ามันเป็นเลขขี่หายใจออกมันเป็นเลขคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไล่ไปเรื่อยถึงร้อยแต่ในท่าว่ามันจะหลุดมันก็ะเบอร์เบอนะเวลาหายใจเข้าอนะเป็นยี่สิบสองหายใจออกเป็นยนะี่สิบสามแสดงว่ามันผิดที่ผิดทางนะนะนี่แหละเราสังเกตได้ถ้ามันเผลอบ่อยๆ เผลอบ่อยเข้าบ่อยเข้าไม่ใช่ผลดีนะไม่เป็นผลดีนะฮะทำไมทำไมาจึงไม่ว่าผลดีเพราะมันขาดสติบ่อยๆอนับไม่ถึงเท่าไหร่สองสามก็ขาดไปละเผลอๆมันจะขาดตลอดไปรุดลุยไปตลอดถ้ามันขาดขนาดนี้เป็นยังไงเดี๋ยวก็ผมก็ยาวๆพ า, ายของพลุงพลังอยู่ข้างถนนลเลยเพราะมันขาดสติมากฮนะเพราะนั้นการขาดสติไม่ไม่เป็นผลดีเสื้อขาดผ้าขาด เฮะสติขาดมันจะดีได้ยังไงเงินขาดตบัตดเงินขาดบาดขาดเต่งมันก็ไม่ดีถ้าขาดสติแล้วเป็นไงแหมมันไม่ดีทั้งนั้นนะมันขาดเนะี่ยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะพยายามภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทธโธให้จริงให้จังฝึกหัดให้เข้มแข็งอจากนั้นเมื่อเราจิตใจของเรารวมเป็นสมาธิดีแล้วยังค่อยว่ากันเรื่องวิปัสสนา หรือจะพิจารณาทางวิปัสสนาเลยก็ยังได้ต้องให้รู้จากวิธีสกกรึกศึกษาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องศึกษาทั้งนั้นแหละไม่มีใครที่จะสยามผู้รู้แจ้งโลกแต่พระพุทธเจ้าเองท่านออกไปศึกษาท่านก็ยังไปศึกษาคระดาบดหยุดเข้าไปสู่สำนักดาบดทั้งสองทั้งสองดาบทจากนั้นท่านก็กลับมาอีกมาภาวนาของท่านอีกนี่แหละลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดตึ้งหกปีพระพุทธองค์จึงได้ตัด จะรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่แหละพวกเราจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเลย ป, ปุบับปรับก็มารวบรัดตัดตอนทั้งนั่งภาวนาจิตใจสงบเลยรู้แจ้งเห็นจริงเลยอย่างนั้นใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นบารมีของเรามากน้อยขนาดไหนเรายังไม่มั่นใจแต่บางคนอาจจะใช่แต่ที่ได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติมากมายแล้ว พอปงผมเกสานะของไม่เที่ยงนะผมผมขาดเพียงสามเส้นในครั้งพุทธกาลสมนเนรสุมาณะสมนเนรได้สําเร็จเป็นพระรหารแล้วพรเหตุใดดูประวัติของท่านสิทนี่โอ้ไม่ใช่ธรรมดาท่านบําเพ็ญมาเท่าไหร่ก่อนที่ท่านจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเพราะนั้นพวกเราก็ไม่มีใครที่จะรู้เหมือนกันอ่ะในอนดีตชาติพวกเราทําอะไรไปบ้างแต่ยังไงก็เถอะนะเออ จะมากหรือจะน้อยก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องฝึกฝนจะต้องประพฤติปฏิบัติไม่มีใครทําแทนเราได้สมบัติของเราบุญบา ร, รมีของเราเราเป็นคนทําเองเราเป็นคนสร้างเองยากหรือง่ายก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องบําเพ็ญไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของเราเองเยขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่า สมควรกับการเวลาพะวันในผมก็ผูดหมากพอสมควรผู้คนมาเกี่ยวข้องมันสงกรานอย่างที่พกที่ผมได้พูดไว้นั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่จะทํายังไงเราอยู่ในโลกสมมุติเราก็ต้องปฏิบัติตามโลกสมมุติพอสมควรอแต่ก็ไม่ให้มันหนักหนาสาหัดจนเกินไปจะทํำยังไงได้เราอยู่กับผู้คนอต้องพรหนักพรเบานะ ทำไม่รู้จักพอนักพอนเบามันก็ยากเหมือนกันนะแไปที่ไหนหมือเข้าใครไม่ได้อีกเหมือนกันนะั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องรู้จักการเทศสบุคคลการสถานที่บุคลคลควรจะทําอย่างไรจรึงจะถูกต้องเหมาะสมนะอันตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่ น, นี่นะ